ยติกรร ม, มวาจาท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเมื่อพวกเรากำลังวินิจฉัยอธิกรณ์นี้มีเสียงเส่งแซ่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด และไม่มีใครทราบความหมายแห่งถ้อยคําที่กล่าวแล้วได้แม้แต่เรื่องเดียวถ้าสงพร้อมแล้วพึงระงับอธิกรณ์เรื่องนี้ด้วยอุปพาหิกะวิธีสงจึงคัดเลือกภิกษุชาวปราจีนสี่รูปคือท่านพระสัพพากามีท่านพระสารหะท่านพระอุชะโสพิตะและท่านพระวาสภาคามิกะ และภิกษุชาวเมืองปาเถยะอีกสี่รูปคือท่านพระเรวตะท่านพระสัมพูตะสารวาสีท่านพระสกากันดกะบุตรและท่านพระสุมนณะต่อมาท่านพระเรวตะประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญเมื่อพวกเรากำลังวินิจฉัยอธิกรณ์นี้อยู่ มีเสียงเส่งแซ่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีใครทราบความหมายแห่งถ้อยคำที่กล่าวแล้วนั้นถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุชาวปราจีนสี่รูปภิกษุชาวเมืองปาเถยยะอีกสี่รูปเพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปภิกะวิธีนี่เป็นยติท่านผู้เจริญ ขอสงจงฟังข้าพเจ้าเมื่อพวกเรากําลังวินิจฉัยอธิกรณ์นี้อยู่มีเสียงเสี่ยงแซ่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีใครทราบความหมายแห่งถ้อยคําที่กล่าวแล้วนั้นสง์แต่งตั้งภิกษุชาวปราจีนสี่รูปภิกษุชาวเมืองปาเถยยอีกสี่รูปเพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปพาหิกะวิธี ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชาวปราจีนสี่รูปภิกษุชาวเมืองปาเถยะอีกสี่รูปเพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปพาหิกะวิธีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชาวปราจีนสี่รูป ภิกษุชาวเมืองปาเถยะอีกสี่รูปสงแต่งตั้งเพื่อระงับอธิกรณ์ด้วยอุปพาหิกะวิธีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้